บทภาชณีติกัปาทิเทศนียะ1238ไม่เป็นไข้ภิกษุณีสําคัญว่าไม่เป็นไข้ออกปากขอนมเปรียวมาฉันต้องอบัตรปาทิเทศนียะไม่เป็นไข้ภิกษุณีไม่แน่ใจออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันต้องอบัตรปาทิเทศนียะไม่เป็นไข้ภิกษุณีสําคัญว่าเป็นไข้ออกปากขอนมเปรียวมาฉันต้องอบัตรปาทิเทศนียะทุกๆกด เป็นไข้ภิกษุณีสำคัญว่า ologic. ไม่เป le ็น er ไข้ออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันต้องอบัตทุกกดเป็นไข้ภิกษุณีไม่แน่ใจออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันต้องอบัตทุกกดเป็นไข้ภิกษุณีสำคัญว่าเป็นไข้ออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันไม่ต้องอบัต